จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ฝ่ายธรรมทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่สิบธันวาคมพุทธศักราชสองพห้าี่สเ้าเป็นวันหยุดราชการเป็นวันที่ท่านทวายไม่ต้องไปทำงานทำการจึงได้มาวัด เพื่อมาสร้างคุณงามความดีมันเป็นเหตุที่จะนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าความสุขความรงง่มเย็นเพราะการกระทํานั้นเป็นเหตุที่จะนำมาซึ่งผลต่างๆที่เราปรารถนาหรือไม่ปรารถนากันถ้าการกระทําดีก็เป็นเหตุดีก็นำมาซึ่งผลที่ดี ถ้าการกระทาไม่ดีก็เป็นเหตุไม่ดีก็จะนามาซึ่งผลไม่ดีเป็นกฎตายตัวไม่ว่าจะมีพระพุทธเจ้ามาตัดสรุ้แล้วนำมาสั่งสอนหรือไม่ก็ตามความจริงย่อมเป็นความจริงอย่างนั้นเหมือนกับน้นที่จะต้องเปียกไฟจะต้องร้อนเป็นธรรมชาติจะมีใครมา บอกว่าน้าโดนน้ำก็จะต้องเปียกหรือไม่ก็ตามถ้าโดนน้ำเข้าไปแล้วมันก็ต้องเปียกไฟมันร้อนถ้าไปอยู่ใกล้ไฟมันก็ร้อนไม่มีใครไปห้ามความจริงนี้ได้ชั้นใดการกระทําของพวกเราทางกายทางวาจาและทางใจก็เป็นเช่นนั้นเป็นเหตุที่จะนำผลคือความสุขหรือความทุกข์ ความเจริญหรือความเสื่อมตามมาเมื่อทำไปแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะมายับยั้งผลที่จะเกิดขึ้นตามมาได้มีอย่างเดียวก็คือไม่ทำท่านั้นเองถ้าไม่ทำผลก็ไม่มีปรากฏขึ้นมาถ้าไม่ทำบาปนรกหรือความทุกข์ก็จะไม่มีผลตามมาถ้าไม่ทำบุญ ความสุขหรือสวรรค์ก็จะไม่ใช่เป็นผลที่ตามมามันอยู่ที่การกระทําของเราพระพุทธเจ้าไม่สามารถดึงเราขึ้นสวรรค์หรือผลักพวกเราให้ตกนรกได้ไม่มีใครทําเราให้ขึ้นสวรรค์หรือตกนรกได้แต่การกระทําของเรานั่นแลจะเป็นตัวที่จะผลักจะดันจะดึงให้เราขึ้นสวรรค์หรือตกนรก ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พุทธศาสนิกชนมันทำความดีกันไว้ทำบุญทำกุศลรักษาศีลปฏิบัติธรรมเพราะการกระทานี้จะเป็นเหตุที่จะพาให้ไปสู่ความสุขความเจริญความร่มเย็นเป็นสุขความก้าวหน้าตั้งแต่ระดับมนุษย์ขึ้นไปจนถึงเป็น เทวดาเป็นพรหมเป็นพระอริยเจ้าเป็นพระอาหารหันต์เป็นพระพุทธเจ้าตามลำดับต่อไปเกิดจากการกระทําที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้พวกเรากระทากันอย่างสม่าเสมอในเบื้องต้นท่านสอนให้เราทําทานคือให้บริจาคสิ่งของเงินทองต่างๆที่เรามีเหลือกินเหลือใช้ การให้นี้ท่านก็บอกว่ามีอยู่สี่ชนิดด้วยกันสิ่งของที่จะให้ได้พวกวัตถุข้าวของเงินทองต่างๆอย่างวันนี้ญาติโยมนำกับข้าวกับปลาอาหารขาวหวานจตุ ป, ปัจจัยไทยทานมาถวายหลังนี้เรียกว่าวัตถุทานคือการให้ด้วยวัตถุลวมไปถึงจีวรกุติยารักษาโรค วิหารโบทเจดีย์ JD. แบบนี้เรียกว่าเป็นวัตถุทานเป็นการให้วัตถุนี่เป็นสิ่งที่เราทุกคนสามารถให้ให้กันได้สิ่งที่สองที่เราให้ได้ก็คือวิทยาทานคือความรู้เรามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรแล้วเรานำมาไปสอนผู้อื่นโดยไม่เก็บเงินเก็บทอง เช่นเรารู้จักวิธีทํากับข้าวกับฟางอาหารเราไปสอนผู้อื่นให้เขาได้รู้จักทาโดยที่เราไม่คิดสตางไม่เก็บค่าค่าข่าสอนคือสอนให้ฟรีๆนั่นเองก็จะถือว่าเป็นการให้วิทยาทานสามการให้อภัยทานคือการให้อภัย ไม่ไม่อาฆาตพยาบาทไม่จองเวรจองกรรมเวลาที่มีใครทําอะไรให้เรามีความเจ็บช้าน้ําใจมีความไม่พอใจไม่สบายอกไม่สบายใจแทนที่เราจะไปโกรธไปอาฆาตพยาบาทไปจองเวรจองกรรมเราก็ให้อาจไปถือเสียว่าเป็นการทําบุญเหมือนกับการให้ทาน ด้วยวัตถุข้าวของเงินทองอย่างที่ท่านทั้งหลายได้มากระทำกันในวันนี้การให้อภัยก็เป็นการให้อย่างหนึ่งและประการที่สี่สิ่งที่เราให้ได้คือธรรมทานให้ธรรมะธรรมะก็คือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเรามาวัดอยู่อย่างสม่าเสมอเราจะยินได้ฟังเรื่องบาปบุญคุณโทษ เรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องเวียนว่ายตายเกิดคำสอนเหล่านี้เป็นความจริงที่ผู้ใดนำเอาไปปฏิบัติแล้วจะได้รับประโยชน์เพราะเมื่อได้ยินได้ฟังว่าตายไปแล้วจะต้องไปขึ้นสวรรค์หรือไปตกนรกถ้าทำบุญหรือทำบาปถ้าเขารู้แล้วเขาก็จะได้พยายามไม่ทำบาปเพราะการทำบาป จะพาให้ไปสู่นรกนั่นเองนี่คือการให้ธรรมะเรียกว่าธรรมทานการให้ทั้งสี่ชนิดนี้พระพุทธเจ้าทรงสร ล, ลเสริญการให้ธรรมทานเป็นการให้ที่ประเสริฐที่สุดเป็นการให้ที่มีคุณค่าที่สุดการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงนี่คือคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ แต่ถ้าเราไม่มีธรรมะเราไม่รู้ว่าจะให้ธรรมะได้อย่างไรอย่างน้อยถ้าเราได้อาา่านหนังสือธรรมะดีๆเราคิดว่ามีประโยชน์เราก็ช่วยพิมพ์หนังสือนี้เอาไปแจกเอาไปจ่ายก็เรียกว่าเป็นการธรรมทานเป็นการให้ธรรมะเหมือนกันคือบางทีเรายัางไม่สามารถที่จะศึกษาปฏิบัติจนรู้ธรรมะอย่าง สองแทจนสามารถสั่งสอนผู้อื่นได้ด้วยตัวของเราเองแต่อาศัยวิธีการที่เราชอบอ่านหนังสือธรรมะชอบฟังเทศฟังธรรมพอเราได้อ่านหนังสือเล่มไหนที่เห็นว่ามีคุณค่ามีคุณประโยชน์ได้ยินได้ฟังธรรมะจากแผ่นซีดีหรือจากเทปแล้วอยากจะเอาไปเผยแพร่ให้กับผู้อื่นเราก็ช่วย จัดพิมพ์จัดผลิตแผ่นซีดีเหล่านั้นออกมาแล้วเอกไปจ่ายเอาไปแจกให้กับผู้ที่ไม่มีโอกาสที่จะได้มาวัดมาได้ยินได้ฟังอย่างที่เราได้ยินได้ฟังกันอย่างนี้อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการให้ธรรมะธรรมทานการให้ทั้งสี่ชิน้นนี้เราสามารถให้ได้ตลอดเวลา ไม่ว่าเราจะอยู่ในวัดหรืออยู่นอกวัดเวลาที่มีเหตุการณ์ที่มีความจำเป็นที่เราต้องให้เราไม่ควรที่จะเมินเฉยรีบให้เสียเพราะถือว่าเป็นโอกาสอันดีงามในขณะที่ถูกโจรป้นโจรจี่ต้องการยนทองของเราไปเราก็คิดเสียว่าเป็นการให้ทานไป ก็แล้วกันให้เขาไปแล้วเราจะมีความสุขใจแล้วเราจะไม่เจ็บเนื้อเจ็บตัวถ้าเราไม่ยอมให้เกิดขัดขวางมีการต่อสู้กันเขาอาจจะฆ่าเราตายได้เสียเงินเสียทองไม่พ อ, อยังต้องเสียชีวิตของเราอีกแต่ถ้าเราเป็นคนที่เคยให้ทางอยู่อย่างสม่ําเสมอเราจะมีความยินดี พร้อม ท, ที่จะให้ทุกเวลาเมื่อมีเหตุมีความจําเป็นที่จะต้องให้เมื่อไหร่ก็สามารถให้ได้ทันทีอย่างไม่มีความรู้สึกเสียดาย <c oughs> หรือเสียใจเลยนี่ก็เป็นอนิสงส์อันหนึ่งที่เกิดจากการให้ทานอย่างสม่ำเสมอเวลาเราให้บ่อยๆแล้วจิตใจของเราจะไม่ยึดไม่ติดกับสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆ ที่มีเกินความจำเป็นหรือถึงแม้จะเป็นความจำเป็นแต่ถ้าอยู่ในกรณีที่ควรจะให้ก็ยินดีที่จะให้ได้เพราะคิดว่าพรุ่งนี้เราก็หาใหม่ได้ชีวิตของเราถ้ายังไม่ตายถึงแม้เราจะสูญเสียอะไรถึงแม้เราจะบริจาคทรัพย์สินเงินทองเข้าของไปมากน้อยเพียงไร ตรงนี้เราก็มีโอกาสมีเวลาหาใหม่ได้เวลาให้แล้วมันจะเกิดความสุขใจเกิดความภูมิใจเกิดความอิ่มเอิกใจนี่เป็นอนิสงส์ของการให้ทานคือจะชนะความตนันหนีความใจแคบที่มีอยู่ในใจของเราคนที่มีความใจแคบมีความตันหนีนี้จะไม่มีความสุข จะมีความหยวงแหงมีความห่วงมีความกังวลกับสมบัติเข้าของเงินทองของตนจะไปไหนก็ไปไม่ได้กลัวทิ้งบ้านไปแล้วเดี๋ยวขโมยขึ้นบ้าน <c oughs> ก็เลยกลายเป็นปู่โสงเท่าทรัพย์ไปมีทรัพย์มากน้อยเพียงไรแทนที่จะให้ทรัพย์รับใช้ตนเองให้ความสุขกับตนเองกับกลายเป็นคนใช้ของทรัพย์สมบัติคนรับใช้ของคนสมบัติ ต้องเป็นยามเฝ้าสมบัติไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยมีเงินทองมากมายกายกองแต่ไม่กล้าใช้ตายไปก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรสมบัติที่ทิ้งไว้ให้กับคนอื่นก็ไม่ได้เป็นไม่มีอนิสงส์จากการทิ้งไว้เลยอนิสงส์จะเกิดขึ้นต่อเมื่อเราให้ในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ให้ด้วยความพอใจให้ด้วยความความยินดี เมื่อให้อย่างนี้แล้วมันก็จะเป็นอนิสงส์มิตรเนอนิสงส์ของฐานปรากฏขึ้นมาคือจะทำให้เรามีความอิ่มเอิบใจมีความสุขใจช่วยชำระความโลภความตนีความเห็นแก่ตัวให้เบาบางลงไปและเมื่อตายไปก็จะมีทรัพย์ลออยู่ในภายภาคหน้าเวลาไปเกิดในภพหน้าชาติหน้าจะไม่อดอยากขาดแคลน จะมีเครื่องใช้ไม่สอยเงินทองไว้รอเราอยู่เช่นได้ไปเกิดบนกองเงินกองทองไปเกิดเป็นลูกเศรษฐีไปเกิดเป็นลูกของพระเจ้าแผ่นดินอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นเพราะอนิสัยของการได้ทําบุญทําทานมาในอดีตนั่นเองวกเราจึงไม่ควรมองข้ามการให้ทานไป เพราะการให้ทานนี้เป็นพื้นฐานรองรับของความดีงามทั้งหลายเหมือนกับการเรียนหนังสือถ้าเรายังไม่ได้เรียนชั้นอนุบาลชั้นปถมเราจะไม่สามารถเรียนชั้นมัธยมหรือ <c oughs> ในระดับมหาวิทยาลัย ไ, ได้เราต้องเริ่มต้นจากอนุบาลขึ้นไปก่อนถึงจะขึ้นไปสู่ชั้นปถมชั้นมัธยมและชั้น มหาวิทยาลัย ไ, ได้ต้องมีการเริ่มต้นมีการเรียนจากชั้นที่ต่ำที่สุดถ้าเรากระโดดชั้นขึ้นไปเราจะเรียนไม่ผ่านเช่นไม่เคยเรียนป .1 นนแล้วไปเรียนม .1 เลยก็เรียนไม่ผ่านเพราะเรียนไม่รู้เรื่องไม่มีความรู้พอที่จะเรียนเพื่อที่จะสอบผ่านได้ก็ต้องกลับลงมาเรียนอยู่ชั้น อนุบาลชั้นตอนอย่งอยู่ดีการทำบุญให้ทานก็เป็นอย่างนั้นเป็นรากฐานของการพัฒนาจิตใจให้ก้าวขึ้นจากชั้นฐานไปสู่ศีลจากศีลให้ไปสู่ภาวนาคือปฏิบัติสมาธิและปัญญาเพื่อไปสู่การหลุดพ้นเพื่อการไปสู่ความเป็นพระอริยเจ้าไม่ว่าจะเป็นพระโสดาบันพระสกิดาคามี พระอนาคามีพระอรหันต์หรือพระพุทธเจ้าก็ต้องเกิดจากการสายต้าจากขั้นต่ำไปสู่ขั้นสูงนั่นเองแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องทาทีละอย่างเราสามารถทำสิ่งเหล่า น, นี้ควบคู่กันไปได้อย่างเช่นตอนเช้านี้เราก็ให้ทานกันแล้วเรากลับบ้านเราก็รักษาศีลกันต่อศีลห้าศีลแปด แล้วแต่ความสามารถตอนเย็นมีเวลาว่างก็ไหว้พระสวดมนต์ทำจิตใจให้สงบแล้วก็เจริญวิปัสสนาพิจารณาถึงความแก่ความเจ็บความตายถึงการพัดพาาจากกันว่าเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เป็นเรื่องธรรมดาสอนใจอยู่เรื่อยๆว่าเมื่อใจได้รบับได้ยินได้ฟังแล้ว จะได้เตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้เมื่อใจได้เตรียมตัวแล้วเวลาเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาใจจะไม่เดือดร้อนจะไม่ทุกข์จะไม่วุ่นวายจะไม่เศร้าโศกเสียใจกินไม่ได้นอนไม่หลับเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นกับใจที่ได้รับการอบรมสั่งสอนอยู่อย่างสม่ำเสมอให้เตรียมตัวเตรียมใจรับกับสภาพความเป็นจริงที่จะเกิดขึ้นตามมา นี่คือการปฏิบัติที่เราจะต้อง <c oughs> ปฏิบัติไต่เต้าขึ้นไปทีละขั้นทีละขั้นทำให้มากขึ้นไปเรื่อยๆเราเคยทำทานได้มากน้อยเพียงไรถ้าเราทำเพิ่มได้ขึ้นไปอีกก็าทาไปเมื่อก่อนนี้เรายังเสียดายเงินเสียดายทองอยู่แต่พอเราทำบุญทำทานแล้วเราเห็นคนอื่นเขาได้รับความสุขได้รับการช่วยเหลือ จากการเสียสละของเราเราก็เกิดความสุขใจเกิดความพอใจก็ยัจะทำให้เราเกิดความยินดีที่อยากจะทำมากขึ้นไปอีกเมื่อก่อนนี้เราไม่เคยทำบุญทาทานเวลาเรามีเงินเราชอบเอาไปซื้อของฟุ่มเฟือยกันชอบเอาไปเที่ยวเอาไปกินเอาไปเื่มกันแต่กินดื่มมากน้อยเพียงไรเที่ยวมากน้อยเพียงไร ชื่อของฟื้นเือยมากน้อยเพียงไรเราก็ไม่เคยเกิดความสุขใจเกิดความภูมิใจเลยไม่เหมือนกับตอนที่เราได้ช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากลาบากลาบนแล้วเราช่วยให้เขาได้หน่วยหัวขึ้นมาบ้างให้เขาได้มีความสุขบ้างจะทำให้เรามีความภูมิใจมีความสุขใจ แล้วจะทําให้เราติดใจในการทําบุญทําทานต่อไปเจะทําให้เราทํามากขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อเราทํามากขึ้นไปเรื่อยๆความโลภที่อยากจะได้สิ่งต่ตางๆก็จะเบาบางลงถึงแม้ยังมีอยู่แต่ก็จะอยู่ในกรอบของความดีงามคือเราอยากจะได้อะไรเราก็จะหามาด้วยวิธีที่ถูกต้องเราจะไม่ไปลักทรัพย์ จะไม่ไปฆ่าผู้อื่นจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับสามีภรรยาของผู้อื่นหรือไปโกหกหลอกลวงผู้อื่นเพื่อที่จะให้ได้มาในสิ่งที่เราต้องการเพราะใจเราไม่ได้โลภมากถึงขนาดนั้นถึงแม้ยังมีความโลภอยู่แต่ก็ไม่ได้โลภถึงกับว่าจะต้องไปทำผิดสิ่งผิดธรรมถ้าหามาด้วยความสุดเจริญไม่ได้ <c oughs> ก็ไม่เอามันก็ได้เพราะใจที่เคยทา ให้ทานอยู่อย่างสม่ำเสมอแล้วจะมีความสุขหล่อเลี้ยงจิตใจอยู่พอที่จะต่อสู้กับความโลคความอยากได้ดังนั้นคนที่ทำบุญทำทานอยู่อย่างสม่ำเสมอแล้วตอบก็จะสามารถรักษาศีลได้ง่ายกว่าคนที่ไม่ทำบุญทำทานคนที่ไม่ทำบุญทาทานนี้จิตจะมีแต่ความหิวมีแต่ความอยากได้ตลอดเวลา แม้ว่าจะมีอยู่แล้วมากน้อยเพียงไรความหิวความอยากในใจก็ไม่หมดไปตามสิ่งที่ตนเองมีอยู่แต่กลับจะมีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะยิ่งได้มามากเท่าไหร่ก็ยิ่งอยากได้มากขึ้นไปเท่านั้นไม่เหมือนกับเวลาให้ไปมากเท่าไหร่ก็ยิ่งอยากจะให้ไปมากขึ้นเท่านั้นเพราะทุกครั้งที่ให้ไปก็มีความอิ่มเอิบใจมีความสุขใจ มีความพอใจเพราะการให้เป็นการให้อาหารกับจิตใจส่วนการได้มาหรือความหรือความอยากได้สิ่งต่างๆนั้นไม่ได้เป็นการให้อาหารกับจิตใจแต่เป็นการสร้างความหิวความต้องการให้กับจิตใจให้มีมากยิ่งขึ้นไปนักบวชทั้งหลายจึงสอนให้ทาบุญทาทานอยู่อย่างสม่าเสมอ เพเมื่อได้ทำบุญทำทานแล้วก็จะนำไปสู่การรักษาสีเพราะจิตใจเป็นจิตใจที่มีความเมตตากรุณาเอาเื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นเห็นผู้อื่นเดือดร้อนก็อยากจะช่วยเหลืออยากจะได้อะไรก็จะไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ตนเองต้องการก็จะนำไปสู่การมีสีมีธรรม คนที่มีศีลมีธรรมก็จะตั้งอยู่ในความสงบไม่วุ่นวายใจไม่มีปัญหามาสร้างความทุกข์ร้อนให้กับจิตใจไม่เหมือนกับคนที่ไปทำผิดศีลผิดธรรมไปโกหกหลอกลวงผู้อื่นไปรับเล็กขโมยน้อยไปยุ่งเกี่ยวกับสามีภรรยาของผู้อื่นจิตใจจะต้องมีความกังวลมีความกังวนกวายมีความรุ่มร้อนในจิตใจ เพราะได้ไปกระทาในสิ่งที่ผิดแล้วกลัวจะต้องถูกมาถูกเขาจับไปลงโทษนั่นเองกลัวถูกเขากลัผู้อื่นจะรู้ว่าตอนทำในสิ่งที่ไม่ดีแล้วจะมีคนนินทามีคนประนามว่าเก่าแต่คนที่ตั้งอยู่ในสิ่งถางแล้วจะไม่มีใครจะมา จบไปลงโทษไม่มีใครจะมาตำหนิตีเตียนมาประนอามว่าเป็นคนไม่ดีแต่จะมีแต่คนยกย่องสรรเสริญว่าเป็นคนดีมีความศรัทธามีความาเคารกเลื่อมใสอย่างพระสงฆ์องค์เจ้าทั้งหลายที่ศรัทธาญาติโยมกราบไหว้ก็เป็นเพราะว่าท่านมีศีลนั่นเอง ท่านตั้งอยู่ในความดีงานไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นนี่คืออนิสงค์ของการรักษาสินเมื่อเรารักษาสินไปเรื่อยๆแล้วจิตใจของเราจะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขก็จะทำให้เราเห็นถึงคุณค่าของความสงบสุขของจิตใจแล้วก็อยากจะให้มีเพิ่มมากขึ้นไป แต่การรักษาสีนก็จะได้ความสงบเพียงในระดับหนึ่งถ้าต้องการให้มีความสงบเพิ่มมากขึ้นไปก็จะต้องมีการภาวนาการภาวนาก็คือการทำจิตใจให้สงบและทำจิตใจให้ฉลาดให้เกิดปัญญาเพราะการทำจิตให้สงบจะทำให้จิตใจมีความสุขและการทำจิตใจให้มีปัญญา ก็จะป้องกันไม่ให้เกิดความทุกข์ความวุ่นวายใจเกิดขึ้นได้อีกดังนั้นเมื่อเราอยากจะได้ความสุขมากขึ้นไปกว่าที่เราได้จากการทำบุญให้ทานจากการรักษาศีลแล้วในะลาดับต่อไปเราก็จะสนใจกับการภาวนาจะศึกษาว่าการภาวนานี้ทำทำอย่างไร ทำแล้วจะได้ผลอะไรตามมาก็จะศึกษาเมื่อศึกษาแล้วก็จะนำไปปฏิบัติการภาวนานี้ก็เป็นการทาจิตใจให้สงบไม่ให้ไปคิดไปปรุงถึงเรื่องราวต่างๆนั่นเองแต่จะปล่อยให้บอกให้จิตใจหยุดเฉยๆไม่ให้คิดทันทีทันใดนั้นย่อมไม่ได้เหมือนกับรถยนต์ที่วิ่งอยู่อยู่เฉยๆจะสั่งให้รถยนต์หยุดวิ่งนั้นไม่ได้จะต้องมีวิธี เช่นจะต้องมีเบรกถ้ามีเบรกเราก็เหยียบเบรกได้แต่ถ้าไม่มีเบรกเราก็จะต้องขับรถวนไปเวียนมาโดยเฉพาอย่างยิ่งถ้ามีทางทางขึ้นเขาก็ขับมันขึ้นไปทา ง, ทางขึ้นเขาเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วมันก็จะหมดแรงไปเองดังนใดการที่เราจะทำจิตใจของเราให้หยุดคิดได้เราก็ต้องมีอุบายอุบายที่ง่ายที่สุด ก็คือการสวดมนต์ขอให้เราสวดมนต์ไปเรื่อยๆบทสวดมนต์ที่เราจำได้บนไหนก็ได้เหมือนกันเพียงแต่ขอให้มีสติอยู่กับการสวดเวลาที่สวดอย่าไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆอย่าไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ให้มีสติรู้อยู่กับการสวดมนต์สวดไปเรื่อยๆต้องสวดนานหน่อยถ้ายังไม่เคยสวด เพราะสวดใหม่ๆยังจะไม่เห็นควาสมสงบแต่ถ้าสวดไปเรื่อยๆแล้วต่อไปใจมันก็จะแผ่วลงแผ่วลงความคิดจะเบาลงเบาลงเพราะในขณะที่เราสวด น, นั้นมันก็ยังแอบไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ได้อยู่เพราะมันยังมีแรงมากแต่ถ้าเราสวดไปเรื่อยๆแล้วพยายามเกาะติดอยู่อยู่กับการสวดมนต์ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆ ต่อไปความคิดจะเบาลงไปเบาลงไปแล้วใจก็จะรู้สึกสบายขึ้นเย็นขึ้นแล้วก็อยากจะอยู่เฉยๆถ้าอยากจะหยุดสวดตอนนั้นก็หยุดดู้องหยุดดูถ้าหยุดแล้วจิตนิ่งเฉยๆสบายใจมีความสุขไม่คิดเรื่องอะไรเราก็อยู่เฉยๆหรือเราจะดูลมหายใจต่อก็ได้สังเกตดูเวลาลมหายใจเข้า ที่หน้า อ, อกมันก็จะพองขึ้นมาเวลาหายใจออกมาที่หน้า อ, อกมันก็จะยุบลงไปสังเกตดูตรงนั้นก็ได้ที่เรียกว่ายุบหนอะพองหนอเวลาหายใจออกก็ยุบเวลาหายใจเข้าก็พองเพียงแต่ให้รู้เฉยๆไม่ต้องไปคิดอะไรเป้าหมายของการภาวนาคือไม่ให้ไปคิดเรื่องอะไรทั้งสิ้นเพราะเวลาคิดแล้ว ม, นมันวุ่นวายใจ เวลาไม่คิดแล้วจะสบายใจเหมือนกับไม่มีอะไรมารบกวนจิตใจนี่คือการภาวนาเพื่อทำจิตใจให้สงบถ้าจิตสงบได้เต็มที่แล้วบางทีความรู้สึกเกี่ยวกับร่างกายนี้จะหายไปเลยเรื่องรูปเรื่องสีเรื่องกลิ่นเรื่องรส น, นี้จะไม่เข้ามาอยู่ในใจเลยยังเหลืออยู่แต่ใจล้วนๆอยู่ในความสงบ มีแต่สัจะว่ารู้อยู่เฉยเฉในขณะนั้นจะมีปิติมีสุขมีอุเบกขามีความสบายอกมีความสบายใจปลยวางทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับในขณะนั้นโลกนี้ไม่มีหลงเหลืออยู่ในใจเลยมีแต่ความว่างที่เย็นสบายนี่คือเป้าหมายของการภาวนาเพราะเมื่อเราภาวนาอย่างนี้ได้แล้ว เวลาต่อไปเวลาที่ชีวิตของเรามีปัญหามีเรื่องวุ่นวายต่างๆเราจะมีที่หลบมีที่พึ่งเหมือนกับมีห้องไว้สำหรับหลบความร้อนเวลาอยู่ข้างนอกมันร้อนมากก็เข้าห้องแอร์เข้าไปนั่งอยู่ในห้องแอร์ก็จะเย็นสบายเวลาใจไปรอบรู้เรื่องราวต่างๆแล้วทาให้มีความกังวลมีความรุ่มร้อนมีความ วันไว้ต่างๆเราก็นำรับมันด้วยการภาวนาไปหาที่สงบมุมงสงบแล้วก็สวมดมนต์ไปเรื่อยๆอย่าไปคิดถึงเรื่องต่างๆที่ทําให้เราเกิดความวิตกกังวลขึ้นมาทําใจให้สงบก่อนเมื่อใจสงบใจสบายแล้วค่อยมาคิดด้วยปัญญาปัญญานี้จะช่วยตัดความกังวลได้อย่างแท้จริง เพราะปัญญาจะสอนให้เรารู้ว่าเกิดมาในโลกนี้มันไม่มีอะไรถาวรทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องหมดสิ้นไปจบสิ้นไปไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรก็ตามเมื่อถึงเวลามันก็จะหมดของมันไปเองหรือถ้ามันไม่หมดเราก็หมดไปเสียก่อนคือเราตายไปเสียก่อนมันก็จบกันเหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกังวลเกี่ยวกับเรื่องปัญหาต่าง อะไรที่เราทำได้ดูแลได้จัดการได้แก้ไขได้เราก็ทำไปอันไหนที่เราทำอะไรไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามตามบุตรตามกรรมอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดไปไม่มีอะไรที่เราจะไปต้องไปกังวลด้วยเมื่อเมื่อเราเข้าใจหลักนี้แล้วความกังวลความวุ่นวายใจก็จะสงบตัวลง แม้ปัญหาต่างๆยังจะไม่ยุติยังมีอยู่แต่มันจะไม่เข้ามาสร้างความวุ่นวายใจให้กับเราเพราะใจเราปล่อยวางได้ น, นั่นเองไม่เดือดร้อนไม่กลัวอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดไปตอนนี้ยังไม่เกิดไปวุ่นวายกับมันทำไม <c oughs> นี่คือปัญญาที่เราจะต้องหันเข้ามาใช้หันเข้ามาพิจนารณาอยู่เรื่อยๆว่าเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย ต้องพัดผ้าจากกันดังนั้นเมื่อถึงเวลาจะต้องจากกันก็ไม่เห็นจะต้องไปเศร้าโศกเสียใจไปวุ่นวายใจเพราะไม่มีใครจะสามารถยับยั้งการพัดผาจากกันได้แม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ยังต้องตายเลยแม้แต่พระอาหารหันต์ทั้งหลายก็ยังต้องตายเหมือนกันพระเจ้าแผ่นดินประธานพิบุตรีนายกทุนต ร, มรีมหาเศรษฐีก็ต้องตายเหมือนกัน ก็ต้องจากสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆที่เขามีอยู่เหมือนกันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติถ้าใจเข้าใจแล้วใจจะไม่เดือดร้อนจะไม่วุ่นวายใจสามารถอยู่ได้อย่างสุขอย่างสบาย <c oughs> เพราะว่ามีปัญญานั่นเองมีการเตรียมพร้อมกับพร้อมที่จะรับกับเหตุการณ์ต่างๆใจเองนั้นไม่ได้ตายไม่ได้เป็นอะไรไปเลยใจก็ยังเหมือนเดิมอยู่ ถ้าเปรียบเทียบใจก็เป็นเหมือนกับเครื่องโทรทัศน์เหมือนกับจอโทรทัศน์เวลาที่เปิดโทรทัศน์ขึ้นมาก็จะมีเรื่องราวในจอปรากฏขึ้นมามีการยิงกันมีการฆ่ากันมีการทําร้ายกันมีการระเบิดใส่กันแต่พอเราปิดโทรทัศน์ไปปั๊บโทรทัศน์ก็ยังอยู่เหมือนเดิม จอก็ยังไม่ยังไม่ได้ระเบิดตางกับเรื่องที่เกิดขึ้นในจอนันใดเรื่องราวต่างๆที่มาปรากฏในใจของเราก็เป็นอย่างนั้นใจของเรานี่เป็นเหมือนกับจอโทรทัศน์เรื่องราวต่างๆนั้นเป็นเหมือนเรื่องที่ปรากฏในจอโทรทัศน์มันปรากฏขึ้นมาแล้วมันก็ผ่านไปแล้วมันก็ดับไปมันก็ไม่ได้มาสร้างไม่ไม่ได้มาทำลายใจเราเลย สิ่งที่ทําลายใจเราก็คือ ค, อความโง่เขลาบาปัญญาของใจนั่นเองที่ไปหลงตกอกตกใจกับเรื่องราวต่างๆพราะดีความยึดมั่นถือมั่นกับเรื่องราวต่างๆว่าเป็นของเราว่าเป็นตัวเราอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้ามองด้วยปัญญาแล้วเห็นว่าไม่มีอะไรเป็นเราเป็นตัวเราเป็นเพียงแต่ภาพที่ปรากฏขึ้นมาในจอท่า น, นั้นเองในจอใจ แต่รับรู้แล้วก็ปล่อยมันไปตามเรื่องของมันมันจะดีจะชั่วมันก็มันก็ดีชั่วของมันแต่มันไม่ได้มาทําให้ใจเราดีหรือชั่วด้วยมันจะเกิดจะดับมันก็ไม่ได้มาทําให้ใจของเราเกิดหรือดับไปด้วยถ้าเรามีปัญญาเราจะเข้าใจแล้วเราจะปล่อยวางได้แล้วจะไม่วุ่นวายใจกับเรื่องราวต่างๆปล่อยให้มันเป็นไปถ้าเราดูแลรักษาได้ป้องกันได้ก็ทําไป ถ้าทำไม่ได้ก็ปล่อยวางแต่ใจของเราจะอยู่อย่างสงบอยู่อย่างสบายท่ามกลางเหตุการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเลวร้วายขนาดไหนก็ตามก็จะไม่มากระทบกับจิตใจของเราได้เลยนี่คืออานิี่สอของการเจริญปัญญาซึ่งเป็นเป้าหมายอันสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาเพื่อที่จะทำให้จิตใจหลุดพ้นจากผวาทุกข์ทั้งปวงนั่นเอง ไม่ต้องไปทุกข์กับเรื่องอะไรทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องความแก่ความเจ็บความตายการพัดพลาจากกันจะไม่มาทําให้จิตที่มีปัญญานี้ต้องมีความวิตกกังวลด้วยเลยจะรับรู้ได้อย่างสบายใจนี่คือสิ่งที่เราควรที่จะบําเพ็ญกันเริ่มต้นตั้งแต่การให้ทานแล้วก็รักษาศีลแล้วก็บำเพ็ญภาวนา ทำจิตใจให้สงบแล้วก็เจริญปัญญาจนในที่สุดจิตของเราสามารถปล่อยวางหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างแน่นอนอย่างอย่างสิ้นเชิงนี่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้ามอบให้กับเราและเป็นวิสัยที่พวกเราทุกคนสามารถทํากันได้ถ้ามีศรัทธามีวิรยิยะความภาคภูยิแล้วไม่ช้าก็เร็วท่านจะได้รับผลอันประเสริฐนี้ จึงขอฝากให้ท่านจงมีความแน่วแน่มีความมั่นคงต่อพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและนำไปปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอจนกว่าชีวิตจะหายไ่แล้วรับรองได้ว่าสักวันหนึ่งท่านจะได้รับจะได้สัมผัสกับการหลุดพ้นที่เป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่จิตใจจะสามารถไ ข, ขว่คว้าได้